วัดวัดเรานี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อจัดงานไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการจัดงานเท่าไรออกแบบมาเพื่อเรียนกรรมฐานเยันมาแล้วไม่สบายเหมือนบางวัดนะเขาสถานที่เขาพร้อมรับคนได้มากๆบางวัด คนเรียนกรรมฐานจะต้องการความสงบความเรียบง่ายไม่มีอะไรธรรมะ ก, กับโลกไม่เหมือนกันธรรมะยิ่งปฏิบัตินะยิ่งเอาออกในโลกยิ่งปฏิบัติยิ่งเอาเข้ายิ่งทำไปยิ่งเอาเข้าตัวทุกสิ่งทุกอย่างมีมากๆแล้วดี ธรรมะเนี่ยทางวัตถุอยู่เท่าที่จำเป็นทางจิตใจเอากิเลสออกไปค่อยๆลดค่อยๆละไปถ้าเราลดล่กิเลสได้ชีวิตมันจะมีความสุขมากคนในโลกเขาเอาทุกอย่างเข้าตัวก็เพราะว่าอยากมีความสุขเหมือนกันแต่เขาเข้าใจแบบนั้นว่ามี สิ่งต่างๆมากมายมีคนแวดล้อมเยอะมีเพื่อนเยอะมีชื่อเสียงมากๆ ม, มีเงินมากๆสวยมากๆสาวมากๆอะไรอย่างี้จะดีมีความสุขความสุขพวกนั้นมันอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเป็นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นมันไม่เหมือนความสุขในธรรมะนะมีชีวิตเรียบเรียบง่าย มีความสุขนี่วันนี้พวกเรามากันมากส่วนหนึ่งก็จะเป็นคนทำบุญบางคนก็ไม่ค่อยได้เข้าวัดถึงหน้ากระถินก็ทำบุญทีหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ทำแต่ไหนๆเขามาวัดกรรมฐานแล้วก็ลองเรียนกรรมฐานดูบ้าง กรรมฐานไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกคือการเรียนรู้ตัวเราเองเครื่องมือสำคัญที่พวกเราต้องพัฒนาขึ้นมาให้ได้นะคือคำว่าสติสติเป็นตัวรู้ทันนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจเราฝึกตัวนี้ให้ได้ก็แล้วกันแล้วความดีอื่นๆมันจะตามมาถ้าเราขาดสติซะตัวเดียวนะ ความดีก็ไม่มีแล้วความชั่วทั้งหลายก็จะตามมาวิธีที่เราจะทำให้ตัวเองมีสตินะมันไม่ใช่คำว่าสติมันไม่ได้เป็นอย่างที่ชาวโลกเขาเข้าใจกันคนในโลกนะแค่ว่าไม่เผลอเดินตกถนนขับรถไม่ชนคนอื่นเลยก็ว่ามีสติแล้วสติอย่างนั้นก็สติอย่างโลกโลก หรือในทางตำราทางอาพิธรรมนะเมื่อไรจิตเป็นกุศลเมื่อนั้นมีสติงั้นจิตอยากฟังเทศก็ถือว่ามีสติแล้วจิตอยากทำบุญใส่บาทก็ถือว่ามีสติแล้วมันก็มีเหมือนกันแต่สติแบบนั้นยังไม่พอสติที่หลวงพ่อชวนพวกเราให้เรียนรู้นะี่คือสติปัฏฐานสติปัฏฐานนี่เป็นสติที่ระลึกรู้กาย รู้ความรู้สึกของตัวเองรู้ความดีความชั่วของตัวเองรู้ใจของตัวเองอสติอย่างนี้ถือจะเรียกว่าสติปัฏฐานเป็นสติที่รู้เท่าทันรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่รวมกันขึ้นมาเป็นตัวเราคนทั้งหลายในโลกนี้อยากได้ความสุขนะเขาหาความสุขจากสิ่งภายนอกคิดว่ามีเงินมากจะมีความสุขมีชื่อเสียงจะมีความสุข มีครอบครัวดีๆจะมีความสุขมันก็มีเหมือนกันแต่ความสุขอย่างนั้นอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ว่าเรามีอะไรขึ้นมานนเราก็มีภาระตามมาทุกสิ่งทุกอย่างเรามีความรักเราก็มีภาระต้องเอาใจคนที่เรารักมีครอบครัวก็มีภาระต้องดูแลครอบครัวทำอาหากินคนเดียวก็เหนื่อยแทบตายนะต้องต้องไปเลี้ยงเด็กซึ่งมันมาจากไหนก็ไม่รู้ บางคนบอกรู้นะมันลูกเราเอง <c oughs> รู้ว่ามันมาจากไหนทางร่างกายเรารู้ว่ามันมาจากไหนทางจิตใจเขามีจิตใจของเขาเองเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยเขามีจิตใจของเขาเองเราสั่งให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สั่งไม่ได้เลยมีลูกก็มีภาระเพราะลูกมีสามีก็มีภาระเพราะสามี มีภรรยาก็มีภาระมีแฟนก็มีภาระมีบ้านก็มีภาระมีรถยนต์ก็มีภาระถ้ามีมากเกินไปก็ภาระมากไปมีเท่าที่จําเป็นก็จะมีเวลาเหลือสําหรับการพัฒนาจิตใจมั่งถ้ามันรวยอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรไม่ต้องดิ้นรนมากพยายามนะพยายามมาฝึก พัฒนาใจของเราขึ้นมาให้ได้ให้เรามีความสุขได้มีเงินมากก็มีความสุขมีเงินน้อยก็มีความสุขคนมีเงินมากไม่ได้มีความสุขจริงนะหลวงพ่อก็รู้จักคนมีเงินเยอะๆร้อยล้านพันล้านรู้จักอยู่ก็ดูๆแล้วก็ไม่เห็นมีความสุขกับคนซึ่งมีพอกินะมีเงินมากเท่าไหร่นะมันก็กินได้แค่เนี้ยวันนึง มีรถยนต์สิบคันมันก็นั่งได้ทีละคันมีบ้านสิบหลังมันก็อยู่ได้ทีละหลังที่เหลือคือภาระงั้นเรามีชีวิตนะพอดีพอดีอดเลี้ยงตัวเองไปด้วยความสุจริตถ้าเราไม่ต้องคิดว่าต้องมีอะไรมากมายนักก็ไม่ต้องคิดโกงใครก็พออยู่พอกินได้พ้วยมีความสุขก็ไม่มีภาระทางใจมากเกินไป มีบ้านมีภาระไหมภาระเยอะเลยใช่ไหมอย่าว่าแต่มีบ้านเลยมีร่างกายมีภาระไหมตื่นเช้ามาเราทําอะไรกับร่างกายบ้างนึก อ, ออกไหมมีภาระไหมภาระมหาศาลเล ย, เยแค่มีร่างกายนะก็มีภาระเยอะและ้ พยายามมาฝึกนะที่จะลดที่จะละส่วนเกินที่ไม่จำเป็นส่วนเกินที่ไม่จำเป็นมันเป็นภาระกับชีวิตมากเกินไปแล้วมาพัฒนาคุณภาพของจิตใจต่อไปเรามีชีวิตไม่ว่าเราจะจนหรือเรารวยเราก็มีความสุขเราจะเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเราจะแก่เราก็มีความสุขนะ เราจะเจอคนที่รักหรือพลัดพรากจากคนที่เรารักเราก็มีความสุขได้เราต้องพยายามฝึกตัวเองให้มีความสุขอยู่กับตัวเองให้ได้ความสุขในโลกเป็นความสุขที่อาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นตลอดเวลาเราอิงอาศัยสิ่งใดเราก็ตกเป็นทาสของสิ่งนั้นมีเงินเยอะๆกลุมใจไหมไม่รู้จะไปบริหารยังไงจะไปฝากธนาคาร ก็กลัวธนาคารล้มนะจะไปฝังดินเดี๋ยวน้ำท่วมไปหมดอีกนะใส่ตู้ไว้กลัวผู้ร้ายมาปล้อนอีกนะโอ้ภาระเยอะนะภาระมากมีอะไรก็มีภาระหมดเลยเราลองมามีสติดูแล้วภาระจะลดลงสติอันนี้คือสติปัฏฐานนะคอยรู้สึกตัวไว้ ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกอย่างจิตใจของเรานะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตื่นเช้ามาวันนี้จะมาทอดกระถินวัดก็อยู่ไกลเข้ามากลึกจะมาทันไม่ทันมาทันแล้วจะได้นั่งในศาลาไหมอะ น, นะใจเล่าร้อนนะะตื่นเช้ามาคิดจะทอดกระถินก็ทุรนทุรายใจและลำบาก ปล่อยพลังงานตุบตับตุบตับตื่นเต้นเดี๋ยวค่อยดูเรแย่งกันมานะเดี๋ยวจะแย่งเงินกลับอีกเพรายังมีสตินะคอยรู้ทันใจของตัวเองใจมันร้อนร้อนก็ให้รู้ทันใจมันสบายก็ให้รู้ทันใจมันสุขใจมันทุกข์ก็คอยรู้ทันะ ใจมันโลภใจมันโกรธใจมันหลงใจมันฟุ้งซ่านใจมันหดหูคอยรู้ทันมันไปเรื่อยๆไม่ต้องไปว่ามันนะเนี่ยฝึกกรรมฐานอย่างนี้ง่ายสุดขีดแล้วเป็นกรรมฐานที่ไร้รูปแบบเลยเราสามารถฝึกได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับไปเลยคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆแต่อย่าให้มันเคร่งเครียดรู้สบายสบาย ใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาแค่ว่าไม่ทำผิดศีลก็พอแล้วมีชีวิตที่ธรรมดาแล้วถัดจากนั้นเราก็เห็นใจมันเปลี่ยนแปลงใจเราเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะ่ะเมื่อตาเรามองเห็นใจเราเปลี่ยนเมื่อหูเราได้ยินเสียงใจเราเปลี่ยนเมื่อจมูกมันได้กลิน่นเมื่อลิ้นได้รสใจมันเปลี่ยนเมื่อมีอะไรมากระทบร่างกายใจมันเปลี่ยนเมื่อคิด คิดนึกปรุงแต่งใจของเรามันเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งวันอยู่แล้วตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยมีสติคอยรู้ไปถึงนอนหลับนะใจก็ยังเปลี่ยนอีกแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ดูไม่ได้ตอนตื่นเนี่ยทำให้ชํานานต่อไปตอนหลับก็ทำได้อย่างเวลาเรานอนหลับเราฝันร้ายขึ้นมาปุ๊บสติเกิดเองเลยมันรู้ทันใจที่ตกใจสมมติว่านอนหลับอยู่นะ หรือใกล้จะตายเวลาจะตายนะใจมันจะฝันเรียกว่ามันเกิดนิมิตเป็นทุกคนะ่ะยกเว้นพระอรหันต์ใจมันจะเกิดนิมิตขึ้นหรือบางทีไม่ได้ป่วยตายนะเวลารถจะความตายนะคอกำลังหักอะไรเนี่ยจิต้วรวมปุ๊บลงมามเกิดนิมิตเป็นนิมิตที่ดีบ้างที่เรวบ้างแล้วแต่ว่ากรรมจะส่งผลมา บางทีก็นิมิตถึงกรรมที่เคยทำในอดีตเคยมาทอดกรถินเจอหลวงพ่อเลยเนี่ยพอนึกถึงตรงนี้ปุ๊บจิตเป็นกุศลขึ้นมานะจิตเป็นกุศลถ้าตายตอนนั้นปุ๊บจะเกิดที่ดีเลยคิดถึงกรรมที่เคยทำมานะถ้าเคยทำกรรมชั่วไปนึกถึงตรงนั้นมันจะไปชั่วหลวงพ่อมีเพื่อนคนหนึ่งนะพ่อเขาตอหนุ่มๆเนี่ยชอบกินเหล้า แล้วก็ชวนเพื่อนมากินเหล้าที่บ้านทุกวันต้องมาพอเพื่อนมาถึงบ้านนะก็จะสั่งลูกน้องเชือดคอไก่หนึ่งตัวคินดูปีหนึ่งเชือดตั้งเท่าไหร่แล้วอยู่อายุตั้งหลายสิปีตอนแกจะตายแกเห็นไก่ครูบาอาจารย์ท่านตามตัวอยู่ใจมันพุ่งไปพรืดไปเลยนะเห็นไก่อยู่ที่ปลายทางเหมือนผ่านอุโมงไป รบาอาจารแผ่เมตตาให้แผ่แผ่แผรู้สึกขึ้นมาสุดท้ายก็ไหลไปไม่เป็นไก่เถอะเขไปเป็นไม่ดีอยู่ดีแหละใ น, นเวลานิมิตมันเกิดเราเลือกไม่ได้เหมือนกับเวลาเราฝันเราเลือกไม่ได้ว่าจะฝันดีหรือฝันร้ายแต่และถ้าเราเคยฝึกรู้ทันใจของตัวเองให้บ่อยๆ ใจเรามีความสุขรู้ทันใจเรามีความทุกข์รู้ทันใจเร า, าดีรู้ทันใจเราโลภโกรธหลงรู้ทันใจกลัวก็รู้นะใจอิจฉาพยาบาทก็รู้เวลานิมิตเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้านิมิตไม่ดีเกิดขึ้นนะสติมันจะรู้ขึ้นมาอย่างมองไปเห็นแต่ไฟเต็มไปหมดเลย น, ะนิมิตตอนตายนี่มีนิมิตหลายแบบนะนิมิตถึงกรรมที่เคยทําก็ได้ นิมิตถึงที่ที่จะไปเกิดก็ได้นิมิตถึงกรรมที่เคยทำในอนดีตนะเรียกว่ากรรมอนิมิตนิมิตถึงที่ที่จะไปเกิดนะเรียกวคตินิมิตบางทีก็มีนิมิตข้างเคียงอย่างเราชอบตกปลาก็มีนิมิตเห็นเบ็ดตกปลาอะไรอย่างี้เครื่องมือในการทำบาปหรือนิมิตถึงดอกไม้ทูปเทียนอย่างี้ ไม่ได้เห็นพระตรงๆไม่ไดไ้แต่เห็นเครื่องมือที่เคยทำความดีเครื่องมือที่เคยทำความชั่วอย่างนั้นก็มีเราเลือกความฝันไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาจะตายเนะี่ยเราเลือกที่ไปไม่ได้จิตมันคุ้นเคยอันไหนกรรมตัวไหนจะให้ผลขึ้นมามันก็จะให้ผลไปกรรมมันให้ผลมีลำดับกรรมที่แรงนี่ให้ผลก่อนกรรมที่แรงสุดขีด เป็นอนันตริยกรรมเป็นคารุกกรรมคือกรรมที่มีกําลังมากที่แรงที่สุดเรื่องอนันตริยกรรมมีทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วอนันตริยกรรมฝ่ายชั่วอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ทําสังฆเภทสังฆเภศนี่ฆราวาสทําไม่ได้ทําให้พระแตกกันสังฆเพศนี่พระเท่านั้นที่ทําได้เงินพวกเราก็จะมีแต่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เราไม่สามารถ ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตได้เลทํทำไม่ได้มีอะไรอัอ น, นตริยกรรมฆ่าพระรหันโอเวนละใครจะรู้ว่าใครเป็นพระรหันนะเพราะงั้ น, นก็อย่าไปฆ่าใครใครเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่บ้างยกมือสิมีไหมใครทำร้ายจิตใจพ่อแม่บ้างไม่ถึงกับฆ่ายกมือสิหลพ่อว่าเยอะเลยนะ ถ้าไม่ถึงค่าพ่อค่าแม่แล้วเคยฆ่าคนอื่นไหมถ้าไม่มีนีไม่มีอนันตริยกรรมฝ่ายชั่วแล้วอนันตริยกรรมไม่ได้มีแต่ฝ่ายชั่วนะฝ่ายดีก็มีถ้าบรรลุมรคผลเนี่ยเป็นอนันตริยกรรมฝ่ายดีอนันตริยกรรมจะให้ผลก่อนกรรมที่แรงให้ผลก่อนกรรมที่อ่อนอนให้ผลที่หลังกรรมที่คุ้นเคยก็เป็นกรรมที่แรง เรียกกรรมที่ทำบ่อยๆจนชินเรี อ, อาจินะกรรมนะก็เป็นกรรมที่แรงเหมือนกันกรรมที่ทำโดยไม่ได้เจตนาเป็นกรรมเล็กน้อยมีผลอ่อนเรียกว่ากะตัดตากรรมกรรมเล็กน้อยถ้าตัวอื่นไม่มีผลละตัวนี้ถึงจะให้ผลเป็นกรรมที่องค์ประกอบของการทำกรรมไม่ครบนะอย่างเราจะฆ่าสัตว์เนี่ย แรกเลยเรารู้ว่ามีเป็นเป็นสัตว์มันมีชีวิตอยู่เราอยากให้มันตายเราลงมือฆ่าแล้วมันตายนองค์ประกอบครบอย่างนี้กรรมมันเต็มที่ก็ไม่ได้เจตนาเลยเดินไปนสะดุดแมวนอนอยู่เดินสะดุดโคร้มนะหกลม้มทับแมวตายนะเป็นกรรมเล็กน้อยนะอย่างนี้เล็กน้อยในธรรมบทก็มีนะมีพระองค์หนึ่งท่านนั่งเย็บชีวร อ, อยู่ ท่านคองอายุเยอะแล้วล่ะในเย็บจีวรหูตาไม่ค่อยจะดีนะมันมีตัวเรนตัวไรอะไรอยู่ที่ผ้าไม่เห็นนะท่านไปแทงถูกมันเข้าอุ้ยนี่มันตัวอะไรตายซะแล้วเอาเข็มไปแทงถูกมันเนี่ยกรรมไม่มีเจตนาเล็กน้อยเลยนะนี่ท่านก็อยู่มาจนแก่นะวันหนึ่งท่านเดินไปในป่าเห็นในพรานเดินมาถือหอกมอั น, นนะในพรานถือหอกเดินมา ท่านก็รู้สึกหวาดเสียววุ้ยเราเคยปิดทิ้มไอตัวนี้ตายเดี๋ยวกรรมให้ผลเราหลบดีกว่าเดี๋ยว ใ, ในพรานนี่มันหม่นไส้พระบางคนมันโรคจิตน้ําเจออุ้มชอบแกล้งนะอพระองค์นี้ท่านก็หลบเข้าไปอยู่ในพุ่มไม้ในพรานเดินมาเมื่อกี้เห็นพระแวบๆพระหนีไปไหนสงสัยพระกลัวว่าเราถือหอกอย่า ก, กันนั้นเลยทิ้งหอกดีกว่าหอกพุ่งเข้าไปในพุ่มไม้นะ <c oughs> <c oughs> เอพระก็ยังไม่มาหา <c oughs> ไม่เจอนะเนี่ยกรรมเล็กน้อย นะคำเล็กน้อยมันให้ผลทําไมมันให้ผลท่านเร็วขนาดนั้นนะมันต้องต้องลองประเมินดูคนไหนที่พบชาติมันสั้นนะกรรมมันจะรีบให้ผลอย่างพวกเราบางคนนะชั่วมากกรรมยังไม่ให้ผลง่ายนะยังเกิดอีกเยอะนะยังมีเวลาเนี่ยจิตมันจะไปตามกรรมนะกรรมมันจะพาไป แต่ว่าถ้ากรรมไม่ดีเราก็เคยทำกรรมดีคือการเจริญสติเราก็เคยทำความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเรารู้สมมติเราเคยทำความชั่วมาเยอะเลยทุกวันต้องเตะหมาเจอหมาต้องเตะทุกตัวที่เจอนะี่นิสัยเป็นอย่างนั้นเจอไก่ต้องเชือดคอทุกวันต้องทำอยนะ่างนี้แต่เกิดมาหัดเจริญสติขึ้นนะในขณะนั้นขณะที่กำลังจะตายนะนิมิตเตะหมาเกิดขึ้นนะ ใจมันมีสติรู้ทันสติรู้ทันมันรู้สึกขึ้นมาเลยนะหมาหน้าสงสารใจมันเมตตาขึ้นมาปุ๊บใจไม่ไปละไม่ไปที่อบายละหรือเกิดนิมิตเห็นต้นยิ้วกระทาทองแดงอะไรที่ว่าทำไมต้องทองแดงไะรู้เพรานิมิตเห็นต้นยิ้วกระทาทองแดงนะใจกลัวสติะระลึกรู้เลยว่ากลัว ทันทีที่สติเกิดนี่นะนิมิต ท, ที่เล็วนั้นดับทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นใครจะเคยทําชั่วมาก็ไม่เป็นไรนะเริ่มฝึกสติตั้แต่วันนีนะ้เดี๋ยวความชั่วมันค่อยไปให้ผลที่หลังถ้าเรามีสตินีเป็นบุญใหญ่เป็นบุญใหญ่ถ้าเรามีสตินะนนะน ม, นะมีใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนี่ก็มีสมาธิที่ดีขึ้นมาเป็นบุญที่มหาศาลเลย ครูบาอาจารย์สอนมานะบอก ว, ว่าจิตรวมทีเดียวยมีสติจิตตั้งมั่นถึงฐานทีเดียวนยีใช้เวลาชั่วช้างกระดิกหูงูแลบลิน้นช้างกระดิกหูแค่นิ่งใช่กระดิกหูงูแลบลิน้นลองแลบลิ้นสลิลองทำได้ไหมแลบให้เร็วที่สุดได้ก็ยังช้ากว่างูนะงูรึดูไม่ทันเลยเนี่ยช่วเวลาที่จิตรวมแค่นี้รึปเดียเ๋ยวได้บุญมหาศาล ถ้าบอกได้บุญมากกว่าสร้างโบสถ์ได้บุญมากกว่าสร้างวัดเพราะงันถ้าใครไม่มีเงินสร้างโบสถ์ไม่มีเงินสร้างวัดก็เจริญสติไว้นะได้บุญเยอะนะเนี่ยวัดนี้สอนไม่เหมือนใครนะมีแต่ที่จะบอกทำโบสถ์ไว้นะทุ่มสุดชีวิตเลยนะไปกู้เงินมาทำแต่ไม่เอาหลอกชาวบ้านเพราะงันเจริญสติไว้นะมีสติไว้ความรู้สึกอะไรเกิดที่ใจคอยรู้ความรู้สึกอะไรเกิดที่ใจคอยรู้รู้บ่อยๆ รู้จนมันเคยชินที่จะรู้ไม่ได้เจตนาจะรู้ก็รู้ขึ้นได้เองพอาภาวนาถึงจุดที่ไม่เจตนาจะรู้ก็รู้ได้เองนะต่อไปเวลานิมิตไม่ดีเกิดตอนจะตายนะสติเกิดเองเลยถ้านิมิต ด, ดีเกิดนะจิตใจก็ร่าเริงไปนิมิตไม่ดีเกิดจิตใจตกใจขึ้นมาจิตใจกลัวขึ้น ม, มันเห็นฟั๊บต้งขาดสบั้นเลยนะงั่นเป็นวิธีเอาตัวรอดของพวกเรานะที่หลายคนก็ทาบาปอยู่ ต่อไปก็ลดลดพยายามตือศินห้าไว้ใจมันจะรวมง่ายมีสมาธิเกิดขึ้นง่ายๆ่ตือสินห้าไว้นะแล้วก็คอยฝึกรู้ทันใจของตัวเองบ่อยใจของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วนะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคอยรู้อยู่เท่านี้แหละพอแล้วเหลือเฟือแล้วงนะั้นใจจะสุขก็รู้ก็จะเห็นเลยความสุขมันมาแล้วมันก็ไป ใจจะทุกข์ก็รู้นะก็เห็นว่าความทุกข์มาแล้วก็ไปใจเป็นกุศลก็รู้ใจโลภโกรดหลงก็รู้ก็เห็นอีกว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปเนี่ยเป็นเห็นซ้ำๆๆนะบางคนมีบุญวาสนามากไม่ต้องเอาไปใช้ตอนตายนะตอนที่เราคอยรู้กายรู้ใจอยู่เงี้ยเราเห็นทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปดับไปนะสุขทุกข์ดีชั่วมาแล้วก็ไปหมดเลใจมันเกิดตัญญ์าขึ้นมาอย่างแก่กล้ามันเห็นความจริงว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดระดับเป็นธรรมดาใช้สรุปได้ไม่ใช่เราสรุปนะไม่ใช่ใช้สมองคิดเอาเนี่ยใจมันเข้าถึงความจริงมันยอมรับความจริงตรงนี้นะเป็นพระโสดาบันถ้าได้โสดาบันเนี่ยได้อนานันทิยกรรมฝ่ายดีแล้วนะจะไม่แอบบายนะสบายหน่อยสบายใจได้หน่อยแต่ถามว่าแล้วกรรมชั่วที่เคยทํามาก่อนเป็นพระโสดาบันนะมันจะให้ผลไหมมันจะไปให้ผลหลังจากการเกิดแล้ว นะหมายถึงว่ามันอาจจะให้ผลในชีวิตนี้ก็ได้ตอนตอนนี้ก็เป็นชีวิตหลังที่เกิดมาแล้วมันจะไม่ให้ผลในการทาไปเกิดนะเพราะอนันตริยกรรมคือการบรรลุโสดาเนี่ยเป็นอนันตริยกรรมฝ่ายดีเป็นตัวพาเราไปเกิด<ม>ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทพก็ได้เป็นพรหมก็ได้นะแล้วแต่คุณภาพของจิตใจถ้เราไปมีศีลมีธรรมอะไรอยู่อย่างนี้นะพอดีพอดีอย่างนี้ก็เป็นมนุษย์ไป หรือถ้าใจเป็นบุญเป็นกุศลมากนะร่าเริงในธรรมมากก็เป็นเทพไปใจเราสงบมากก็ไปเป็นพรหมไปนะใจมันก็ไปตามกรรมพาไปก็นะจะไม่ไปอับายก็ปลอดภัยหน่อยเพราะฉะนั้นชาตินี้นะเพื่อความปลอดภัยไม่ต้องซื้อประกันชีวิตพยายามเจริญสติให้มากถ้าใครขายประกันก็ไม่ว่านะใครจะซื้อก็ไม่ว่าหรอกหวพ่อพูดให้ฟังเปรียบเทียบให้ฟัง ประกันชีวิตมันก็ตายอยู่ดีแหละมันก็ไม่แน่นอนไม่รู้จะอยู่ได้นานแค่ไหนประกันไม่ได้จริงหรอกมันประกันว่าตายเราได้เงินต่างหากไม่ได้ประกันชีวิตหรอกชีวิตเราไม่มีใครค้ำประกันได้ไม่เหมือนได้โสดาบันนะเรามีหลักประกันแน่นอนและวถ้เป็นโสดาบันก่อนเป็นโสดาบันนี่เจอใครก็ด่าเข้าไปเรื่อยๆนะหรือชกเข้าไปเรื่อยๆตีเข้าไปเรื่อยๆเคยลักเคยขโมย ตอนไปเกิดเนีไปเกิดเป็นมนุษย์นะเป็นมนุษย์แต่โดนเขาตีโดนเขาดา่าโดนเขาขโมยอะไรเงี้ยนะกรรมชั่วไปให้ผลหลังการเกิดแล้วนะส่วนอนันตรีกรรมฝ่ายดีคือการเป็นโสดาให้ผลพาไปเกิดที่ดีนะตัวนี้ให้ผลก่อนงั้นพยายามพักเพี้ยนนะอย่ามีสติรักษาศีลห้าเอาไว้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้คารวะรักษาศีลห้ายากนะแค่ห้าข้อก็ยากแล้วคารวะ ต้องพยายามท้อดทนเอานะสิ่งที่ยั่วยวนให้เราผิดศีลมันมากมายไปหมดทุกวันนี้ของยั่วยวนให้เราผิดศีนี่ยั่วแย่ไปหมดเลยเนะต็มไปหมดเลยทุกหนทุกหแห่งนะอยู่ในบ้านเปิดอินเทอร์เนต็ตก็เจอแล้วสิ่งที่ยั่วยวนให้ผิดศีนผิดธรรมเต็มไปหมดนะนั่งรถไปตามถนนนะมีแต่ป้ายโฆษณายั่วกิเลสเท่านั้นนะยั่วให้โลภนะเห็นมือถืออุ้ยรุ่นนี้ก็ดี หันมาอีกข้างหนึ่งฝั่งหนึ่งไอ้นี่อีกค่ายหนึงเอ๊ะอันนี้ก็น่าสนใจนะอันนี้ก็อยากอันนี้ก็อยากอันโน้นก็อยากเว้ที่นี่ก็น่าไปเที่ยวเรือบินนี้ก็น่านั่งนะโอ้ยสารพัดเลยเนี่ยกิเลสนะถูกยัว่วถูกบิ้วตลอดบันตลอดคืนเลยให้มีสติเอาไว้เป็นเครื่องคุ้มครองตัวเองนะมันโลภขึ้นมาให้รู้มันโกรธขึ้นมาให้รู้เนี่ยตามองเห็นใจก็โลภแล้วตาเห็นอย่างนี้ใจก็โกรธแล้วนะ ให้คอยรู้ทันหูได้ยินอย่างนี้ก็โลภแล้วหูได้ยินยนี้ก็โกรธแล้วใจเราคิดไปเองคิดเรื่องนี้ก็โลภขึ้นมาคิดเรื่องนี้ก็โกรธขึ้นมาให้คอยรู้ทันความรู้สึกนะคอยรู้ทันไปเรื่อยพารู้บ่อยๆแล้วต่อไปมันรู้อัตโนมัติพารู้อัตโนมัติท่านนี้มันจะช่วยตัวเองได้แล้วนอนหลับฝันร้ายแล้วก็มีสติรู้ทันว่าฝันร้ายอยู่ใครเคยเป็นไหมยกมือสิฝันร้ายละสติเกิดยกมือยกสูงๆหน่อย พวกที่ยังไม่เป็นจะได้ตั้งใจหัดทําได้เยอะแยะไปพวกนี้มีโอกาสนะตามตายมีโอกาสไปอบายเหมือนกันแหละเพราะยังไม่ได้โสดาแต่โอกาสรอดมันก็มีโอกาสรอดมันก็มีแล้วแต่ว่าตัวไหนจะคุ้นเคยกว่ากันกิเลสเกิดแล้วตามใจกิเลสนี่เป็นของคุ้นเคยหรือกิเลสเกิดแล้วมีสติรู้กิเลสถ้าคุ้นเคยอย่างหลังนี้ก็เอาตัวรอดน ถ้ากีเกเรตเกิดแล้วก็ตามใจกีเลตเอาตัวไม่รอดหรอกเหมือนคุ้นเคยจิตมันไหลไปตามความคุ้นเคยงั้นพวกเราตั้งใจรักษาศินห้าให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้นะแล้วก็คอยรู้ทันความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นในใจคอยรู้ไปเรื่อยรู้สบายสบายไม่ไปเค้นไม่ไปบังคับมันจนวันหนึ่งมันเป็นอัตโนมัตินะต่อไปความทุกมาปุ๊บใจเราไปเห็นเข้าใจมันก็สลัดความทุกทิ้งไม่ต้องรอตอนตายเลย ตอนเป็นๆ น, นี่ก็มีชีวิตที่มีความสุขมหาศาลแลนะตอนจะตายก็ตายไปได้ดีอีกนะไปฝึกหรานะไปต่อไปกินข้าวเมื่อกี้หลวงพ่อมาเดินดูรอบหนึ่งแล้วโอ้ยโยมกินเอากินเอาไม่เห็นใจพระเลยพระนั่งหน้าแห้งเลยยังไม่ได้กินเลยแล้วนะยมกินมื้อสุดท้ายบางคนกินเมื่อคืนนะพระกินมื้อสุดท้ายเมื่อเช้าวันะ น่าสงสารนั่งดมนะเนี่ยนั่งดมนงสารอ่ะไป